บทที่หกสิบเอ็ดรพินทลาวุกทิ้งตัวเองคว่ำหน้าลงกับพื้นโดยสวนกระคมดาบที่หวดกระนำวื้ลงมานั่นเป็นการเคลื่อนไหวชนิดเดียวเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ในยามนี้ร่างที่ทิ้งหลบลงมายังไม่ทันถึงพื้นหูสำเหนีกเสียงใบดาบที่ฟาดอากาศถากหลังจนสัมผัสลมเย็นว่าบแล้วมันก็กระทบชากเข้ากับแง่หินตาแหน่งใกล้เคียง ที่เขายืนแต่แรกแบกเป็นสะกิดพร้อมกับไฟฉายแวกว่าเหมือนปีชุดไฟมันหมุนตัวกลับอย่างรวดเร็วที่สุดพร้อมกับดาบที่ผิดเป้าหมายในครั้งแรกเงื้อขึ้นอีกครั้งโจงฟันตามติดมือเหมือนจ้วงขวานผ่าฝืนโดยกําหนดยอดอกเขาเป็นเป้าหมายสมองสั่งการให้พริกตายกลิ้งหลบแต่ร่างกายดูจะหนักอึ้งไปหมดเพราะเผาวันที่ติดพันแขนขายอยู่นุงหนัง รพินบอกกับตนเองว่าวาระสุดท้ายกำลังจะมาถึงเขาอยู่ณบัดนี้แล้วเขามองไม่เห็นอะไรอีกทั้งสิน้นนอกจากสีหน้าใสแยะทมึงถึงเหมือนพูดผีปีศาจและคมดาบที่เนื้อราอยู่เหนือศีรษะประสาททุกส่วนดูจะ ก, กลายเป็นอมาาพาสไปหมดแต่แล้วแทนที่มันจะหวดคมดาบลงมาเขาเห็นมันเนื้อคางราอยู่เช่นนั้นเปอยเวลาการผานชีวิตเขาให้ลาออกไปถึงอึดใจ ด้วยตาต่อตาจ้องกันอยู่ต่อมาตาโปนถลนทั้งคู่ใบหน้านั้นก็เลือกขึ้นไปสู่เบื้องบนค่อยๆหมุนตายสุดหวบลงมาความหน้าอยู่ใกล้ๆเขาชนิดเกือบลมทับระพินได้สติอีกครั้งตะกายลุกขึ้นโดยเร็วด้วยตาอันเบิกโลงแล้วก็เข้าใจในบัตรนั้นแผ่นหลังด้านซ้ายของมัน เห็นแต่ส่วนด้ามของมีดซวยติดเดอยู่ใบมีดจงมีดหายเข้าไปหมดไม่มีปัญหามันเสียทะลวงตัดขั้วหัวใจพอดีเจ้าของมีดยืนอยู่ที่ซุ้มไม้ห่างออกไปประมาณสิบก้าวไม่ได้เข้ามาสังหารในระยะประชิด ต, ตัวหากแต่คว้างออกมาด้วยมืออันชำนาญเยี่ยมแต่มันก็เกือบจะสายไปสำหรับวินาทีมรณะเมื่อพริตตาที่แล้ว แน่ละระหว่างที่เขากระบุนคำปราดเข้าตะลุมบอลแบบถึงตัวกะไอพวกผีดิบเจ้าคนใช้ชาวดงไม่ได้กระโดดเข้ามาร่วมด้วยหากแต่ยืนดูอยู่ห่างๆพรานใหญ่ยืนหายใจหอบๆก้มลงมองดูสางเขียวที่เกือบจะเป็นมัจจุราชปลิดชีวิตเขาและเงยหน้าขึ้นจ้องหน้าแงยสายผู้แวกผู้ไม้เดินตรงเข้ามาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้น แค่ควรจะรอให้มันพ่าอกฉันสะก่อนแล้วค่อยฆ่ามันนะเขาพูดลอดไรฟันออกมาจะเป็นด้วยอุปท า, านหรืออะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันคล้ายเขาจะเห็นรอยยิ้มชนิดหนึ่งผ่านไปในแววตาของแง่ายแต่ก็ไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ่งก้มลงเหยียบสางเขียวคนสุดท้ายจับด้ามมีดชุดกระชากออกมาจากแผ่นหลังของมันเอาใบไม้เช็ดเลือดแล้วสอดเข้าฝักข้างเอวตามเดิม จากนั้นก็ช่วยบุญคำลากทั้งสามศพเข้าไปหมกพ้นทางเดินไว้ในพงึงูโกลใบไม้แห้งกลบรอยเลือดที่กระจายแดงฉาดเรียรายอยู่งานดักเก็บกองสอดแนมสางเขียวสำเร็จเสร็จสิ้นไปในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่ก็ฉุกละหุกเกือบจะถึงชีวิต ที่กำบังเมื่อเห็นทั้งสามคนพากันเดินกลับมาอย่างรีบร้อนเรียบร้อยรียบไปกันเถอะสงสัยว่าพวกมันอาจจะมีผ่านมาอีกพรานใหญ่บอกเร็วปรือขณะที่รับไรเฟินที่ชัยยันโยนคืนมาให้แง่าสายกระบุญคำก็ตรงเข้าฉวยอาวุธคู่มือของตนขึ้นมาสะพายไหลขยินกระชาก ค, คอรูให้ลุกขึ้นยืนลาาออกมาหาระพินเกอก็ถูกเรียกเข้ามาร่วมซักถามหารืออยู่ด้วย ครูเดียวเขาก็หันไปทางนายจ้างอีกครั้งชี้มือขึ้นไปบนหน้าผาอันเป็นประตูผีของสางเขียวเราจะตับขึ้นไปทางสันผานั่นเดินบุกรกไปโดยตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันเห็นเจ้าหนูก็ยอมรับว่ากองสอดแนวลาดประเวณของพวกมันจะเดินอยู่ในเส้นทางเท่านั้นสำหรับในเหตุการณ์ปกติเราจะให้มันนาลีกพวกมันเอง โดยมีเก๋เป็นที่ปรึกษาฝ่ายเราควบคุมอีกทีหนึง่งมันค้นป่าเหมือนกันย่อมตามกันทันเชททายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วเงยหน้าขึ้นมองเทียบกับแสงตะวันที่เริ่มบายลงเป็นลำดับตกลงยังไงก็ได้ทั้งนั้นสุดแล้วแต่การตัดสินใจของคุณข้อสำคัญก็คือเราต้องลงมือทำงานให้ทันก่อนที่จะมืดคืนนี้ไม่งั้นจะลาบากพวกผมสามคน พอตะวันตกดินในป่าก็เหมือนกับคนตาบอดนั่นแหละแทนที่จะช่วยอะไรได้กลับจะกลายเป็นตัวทวงถ่าทางไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้ต้องคอยระวังมันให้มากทีเดียวประมาทไม่ได้เลยชายันพยักหน้าไปทางบุตรชายหัวหน้าสางเขียวเชื่อมือขยินนะครับมันคุ้มได้อยู่มัดระพินรับรองอย่างมั่นใจพร้อมกรหันไปสั่งความสองสามคกับขยิน เจ้านักเลงโตหล่มช้างยิ้มยิงฟันตาลุกวาวกระหายเลือดมองไปทางลูกเอื้อมมืออันใหญ่เธอะไปตกเบาๆที่ต้นคอกมนุษย์กินคนนายไม่ต้องเป็นห่วงไอ้นี่พิษขึ้นมาเมื่อไหร่เคยยิงทอดกระดูกมันเมื่อนั้นก็ออกนำเป็นมักคุเทเพราะสำรวจลูกทางไว้ก่อนแล้วโดยอาศัยไตขึ้นไปตามทางเดินของเลียงผาและเสือดาว เจ้ารูร้องขอให้แก้มัดมันออกเพราะทางเดินต้องอาศัยมือช่วยแต่ทุกคนรู้ดีว่านั่นยังไม่ถึงกัะจำเป็นอะไรนะักขยินทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยหิ้วพยุงมันอยู่แล้วขณะที่ไตาตามทางฉุกเฉินนั่นขึ้นไปโดยมีเกิดกระสยุยโดยมีเกิดกระเสยช่วยอยู่อีกสองคนไตเขาอย่างนี้ละดีนะักขยินคำรามกับเจ้ามนุษย์กินคน ผลักไส่ฉุดกระชากมันขึ้นไปเป็นระยะอย่างไม่ปราณีเองมีริ์ขึ้นมาเมื่อไรข้าจะได้ทีตกเขาคอหักเสรู้แล้วรู้รก โดยอาศัยค่อยๆปีนป่ายขึ้นไปตามแง่หินและรากไม้ทั้งหมดก็ขึ้นมาถึงบริเวณไหลผาตอนนั้นลมโชยมาวูบหนึ่งกลิ่นตึกตึกสางสางจากศรีรษะอันปราศจากร่างที่ติดเสียบอยู่บนปลายไม้สูงลอยมากระทบจมูกชวนคลื่นเหียนเกอบอกให้ทราบว่าีรษะเหล่านั้นเป็นศรีรษะของพวกตองเหลืองเมื่อขึ้นมาถึงบริเวณนั้นจึงพบว่า เสาสำหรับเสียบหัวเหยื่อเหล่านั้นปักไว้กลาบเกลือนนับสิบทีเดียวหลายเสามีรอยเสือดาวมาตะกายลม้มและข้าบเอาศีรษะเหล่านั้นไปกินตามพื้นมีพวกกล้วยไม้ป่าที่ถูกตัดมาทั้งเครือตุ๊กตาลักษณะพิกลซึ่งแกะสลักจากไม้ด้วยฝีมือหยาบๆและเสาซุ้มลักษณะเหมือนสารผีปลูกเรียงรายเกลื่อนเหมือนจะมีพิธีเส้นสวงบูชาอะไรสักอย่างของพวกมัน มีทางเดินอันราบเรียบกว้างใหญ่ขนาดด่านช้างทอดบกเวียนอ้อมมาตามไหล่เขาต่อ น, นั้นยังแข่งกับเวลาระพินให้เก้อกับขยินบังคับเจ้าลูนำตัดขึ้นสู่ยอดที่สูงขึ้นไปหรือตัดแยกจากขนทางนั้นทันทีซอกซอนบุกกันขึ้นไปในที่รกทึบซึ่งแน่นอนว่าสางเขียวไม่ใช่เป็นเส้นทางสันจรหรือมีแมวมองกองสอดแนมของมันเพ่นผ่านอยู่ หลายต่อหลายครั้งที่ต่างไปตามรอยศัตว์กันมาแล้วแม้กระทั่งไอแ้แหวงช้างร้ายหรืองูยักษ์แต่สำนึกยามนี้ย่อมบอกกับตนเองว่ามันต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังยิ่งกว่าหลายเท่านักเวลาใดก็ตามที่กลุ่ ม, มนุษย์ร้ายผู้บูชาเทวรูปอินคาสำเนกถึงการล่วงแดนเข้ามาเวลานั้นแผนการกู้ชีวิตมาเรียย่อมพินาศลงในทันทีรวมทั้งมหันตภัยใหญ่หลวง ที่จะมาถึงทุกคนพร้อมกันด้วยการถูกเจ็บเข้าบ่อยครั้งเปรียบอะไรไม่ผิดกระปัตตกที่คอยทิ่มเตือนอยู่ลดความลังเลอิดเอื่อนและเจตนาที่จะดําเนินแผนบิดพริวใดๆของเจ้าลูลงมากมันย่อมสำนึกได้ดีว่าถ้าพบกับพวกของมันเข้าเมื่อใดเอ า, าสารชีวิตของมันย่อมมาถึงเป็นอันดับแรกและมันก็ยังรักตัวกลัวเจ็บอันเป็นวิสัยของมนุษย์อยู่ ทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันสายตัวแทบขาดจากการไต่เขาหรือต้องปีนป่ายและฝารกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะนายจ้างทั้งสามซึ่งความทรหณอดทนย่อมจะไม่น้อยย่อมจะมีน้อยกว่ากลุ่มคนดอยโดยสายกำเนิดแต่การพวงจดจอต่องานสำคัญและการสำนึกถึงมหาภัยที่แวดล้อมอยู่ทุกฝีก้าวยากทำให้ลืมความเหนื่อยหมดสิ้นต่างเคลื่อนไหวรุกหน้าไป เหมือนร่างกายจะเป็นเครื่องจักกลที่ทำงานโดยอัตโนมัติหลายต่อหลายครั้งที่โผล่มาพบกับทางด่านแต่ก็ตัดข้ามผ่านไปเรื่อยเพื่อลีกให้ห่างเส้นทางเดินของสางเขียวพรานทุกคนนับตั้งแต่รับพินลงมาทำหน้าที่ของตนเต็มสมรรถภาพโดยการสำรวจตรวจตราไปทุกระยะเทศจะเรียกว่าเก้าต่อเก้า อีกชั่วโมงเศษต่ตอมาทั้งหมดก็ดันดนขึ้นมาถึงยอดอันสูงสุดของเขาลูกนั้นท่ามกลางวงล้อมของยอดเขาอื่นๆรอบด้านและดูเหมือนยอดปราสาทพุ่งทยานเศษฟ้ารายล้อมอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักทางด้านตะวันตกอันมองเห็นตะวันใกล้คำ่ำลอยตำ่ำแต่อยู่กระทิวเขาลูกหนึ่งผ่านม่านหมอกที่ปกคลุมและดูเหมือนวงกลมสีหมากสุก บางสังเกตเห็นควันลอยอ้อยอิงอยู่ทั่วไปเป็นจุดๆไม่ห่างกันนักบริเวณที่ตังหยุดพักกันลงชั่วขณะนั้นเป็นที่ราบโล่งส่วนหนึ่งของยอดเขาทำให้สามารถสังเกตเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้ถนัดชัดเจนโดยไม่มีป่าบางังที่เห็นควันลอยขึ้นมานั่นแหละครับหมู่บ้านของพวกมันอยู่บนยอดเขาลูกนั้นหลังจากซักถามเฉลยสองสามค พรานใหญ่ก็ชี้มือบอกคณะนายจ้างเชิถฐาล้วงกล้องสองทางไกลออกมาจากเป้หลังสองสำรวจดูแล้วก็แยกออกโดยเลนของกล้องทันทีว่ามันเป็นควันไฟจริงๆไม่ใช่เมฆหรือหมอกที่สายตาเปล่าวชวนให้เข้าใจไปแต่แรกก่อนที่ใครจะเอ่ยเช่นไรต่อมานั่นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงกลองแววมาเป็นจังหวะ จากยอดเขาลูกนั้นแล้วก็ดังสะท้อนรับมาจากเขาลูกอื่นๆเป็นช่วงต่อกันไปบางขณะมันก็ช้าๆทอดระยะและบางขณะมันก็รัวทีเร็วเหมือนสัญญาณโทรเลขแต่ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้นอกจากเจ้าลูซึ่ง บ, บัดนี้ลงนั่งยองๆ อ, อยู่กับพื้นทําหูผึ่งขณะติดตามพัญญานักสำรวจผู้วายชนมองหน้ากันเอง แล้วเปลี่ยนสายตาไปจับยังบุตรชายหัวหน้าเผากินคนเป็นตาเดียวจอมพรานพยายามใช้สายตาอ่านสีหน้าของมันเจ้ารู้เลียบศพเขานิดนึงแล้วเมินหลบไปเจ้าต้องรู้ว่ามันเป็นสัญญาณอะไรของพวกเจ้าเขาเอ่ยขึ้นแผวเบาไปเหี้ยมเกรียมหน้ากลัวบุตรชายหัวหน้าเผ่ากินคนนิ่งเฉยแต่แล้วก็ต้องลนลานละล่ำละลักตอบคาออกมา เมื่อขยินวัดด้วยตีนพละกเขาให้ที่สีข้างล้มตะแขงลงไปผ่านท้ายปืนของอดีตนายบ้านลมช้างเสยยันเขาใต้คางตะวันกำลังลับเขาพิธีบูชาอินคากำลังเริ่มมุมบาเรียกให้พวกที่ระเวนอยู่ในป่ากลับเข้าไปร่วมประชุมที่ลานปางลานพิธีพร้อมกันมันอำพรางเราหรือเปล่านี่หัวหน้าคณะกระสิบ เมื่อถ้อยคำของเจ้าลูถูกแปลถ่ายทอดมาให้เข้าใจเป็นไปได้ไหมที่กองลาดระเวงของมันพบร่องรอยของเราเข้าและส่งสัญญาณแจ้งเหตุเข้าไปยังพวกมันในหมู่บ้านด้อย่างน้อยที่สุดมันอาจพบศพของพวกมันที่เราฆ่าหมกป่าไว้ตอนก่อนที่จะปีนเขาขึ้นมานี่ก็ได้และเสียงสัญญาณเหล่านั้นคือการเตือนภัยเตรียมล่าเรา ชายันเสือมาโดยเร็วอีกคนระพินจรึกตรองอ่านรูปการอยู่อึดใจก็บอกอย่างระมัดระวังว่าผมก็ไม่ไว้ใจว่าเจ้ารู้จะพูดจริงหรอกแต่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่ามันคงไม่เด็กอำพรางโกหกเราเสียงกรองสัญญาณดังออกมาจากหมู่บ้านและบริเวณรอบนอกจึงตอบรับนั่งคนลงความเห็นได้ในหมู่บ้านส่งข่าวออกมาอย่างเบื้องนอก ไม่ใช่พวกที่ตะเวนอยู่เบื้องนอกแจ้งข่าวใดๆเข้าไปในหมู่บ้านทุกคนอึ่งต่างจมอยู่ในขั้วคิดอย่างหนักไม่สามารถจะปลงใจลงความเห็นแน่นอนอย่างใดได้ทั้งสิ้นเสียงสัญญาณกรอนยังกระหึมโต้ตอบกันไปมาอยู่เช่นเดิมสะท้อนก้องไปทุกยอดเขาที่แวดล้อมอยู่จนกำหนดไม่ได้ว่ามันมาจากทางทิศใดใดบ้างดูรอบด้านไปหมด เสียงนั้นฟังบาดเสี่ยงเข้าไปถึงคู้หูใจอย่างประหลาดไม่ผิดอะไรกับเสียงมฤตยูที่ร้องทวงถามชีวิตก่อให้เกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวตักครั้นตะครอไปทุกขุมขนการที่ไม่สามารถอ่านเข้าใจความหมายได้ทำให้ตกอยู่ในความคลางแคลงภาวะผวังแล้วสิ่งที่ทุกคนอดหวนิดขึ้นมาไม่ได้ก็คือคำพูดของลูที่ว่าในอาณาจักรของมันแล้ว แม้แต่แมลงเล็กๆสักตัวที่ผ่านเข้าไปก็ไม่มีวันที่พวกมันจะไม่รู้ความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะในระหว่างคณะแปดคนของฝ่ายติดตามกู้ชีวิตพัญญาด็อเตอร์ฮอปมันจิตใจ ร, ร่ารรอนเต้นระทึกกระวนกระวายไม่ใคร่วาดหวันกังวลในเรื่องที่จะเกิดประทะเป็นศึกใหญ่ขึ้นอีกครั้งในกรณีที่หากพวกสังเกตรู้ตัวและล้อมล่าเข้ามา แต่ที่หนักใจเป็นห่วงอยู่ขณะนี้คือมาเรียฮ อ, อกมันการช่วยเหลือจะทำได้สำเร็จหรือไม่มันย่อมขึ้นอยู่กับหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญตรงนี้แหละถ้าพวกมันรู้ถึงการบุกล่วงล้ำเข้ามาซะก่อนที่จะถึงใจกลางชมรมก็แปลว่าหมดหวัง พินพูดอะไรเคร่งเครียดอยู่กระลูอีกครู่เดียวก็บังคับให้มันเดินนำต่อไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทั้งหมดก็อ้อมยอดเขาลงมายังบริเวณไหลอีกด้านหนึ่งและหยุดชะงักลงอีกครั้งภูมิประเทศเบื้องหน้าที่พลูออกมาเป็นโรกเหวลึกชันปัดลงไปประหนึ่งว่าทิวเทือกเขานั้นจะถูกตัดให้ขาดจากการเชื่อมติดต่อกันฝั่งตรงข้ามเป็นยอดเขาต่างหากออกไปอีกลูกหนึ่ง สิ่งที่ทำความตื่นเต้นประหลาดใจให้แก่คณะนายจ้างทุกคนก็คือห่างจากทางด้านซ้ายมือออกไปประมาณส0มรอเมตรซึ่งพอจะสังเกตเห็นเขาด้านนั้นได้อย่างถนัดเพราะรที่คล้ายๆถูกตัดขาดออกจากกันและส่วนมากเป็นโขดหินงอกอยู่เกะกะปราศจากใบไม้ใหญ่บงังระหว่างไหลเขาลูกนี้กับไหลเขาลูกตรงข้ามเป็นชานหินราบเรียบ ยื่นลำชะงโงกเข้าหากันด้านตรงข้ามอยู่ในระดับสูงกว่าอีกด้านหนึ่งสิ่งซึ่งไม่เคยคิดว่าจะได้พบเห็นปรากฏอยู่ที่นั่นสะพานลอยกลางเวหาซึ่งสร้างด้วยสีฝีมือสถาปานิกอนารยชนมันเป็นทางเชื่อให้เดินติดต่อถึงกันได้ในระหว่างช่องเขาขาดซึ่งเบื้องล่างเป็นเหวลิฟ ลิลลงไปเห็นไปยอดไม้เขียวมืดพรานใหญ่บุ้ยปากไปที่เป้าไมา้โดยยังไม่พูดคำใดออกมาทั้งสามสำรวจดึกกล้องสองทางไกลโดยเร็วจากเลนย่นระยะเห็นลักษณะของมันได้อย่างถ น, นัดชัดเจนชายันครางอะไรออกมาคำหนึ่งในลำคอด้วยความพิศวงอัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าวตัวสะพานลอยเชื่อมข้ามหิว้ว หรืออีกนหนึ่งข้ามช่องเขาประกอบขึ้นด้วยลำไม้ไผ่ซึ่งนำมาผูกด้วยเถาวันในลักษณะเหมือนลูกระนาดหรือแพรลูกบวบเรียงกันเป็นตับถีส่วนกว้างประมาณเม็ดเศษมีสายโยงด้านบนและด้านล่างเป็นหวายขนาดใหญ่ขึงตรึงไวปลายทั้งสองด้านยึดติดอยู่กับลำต้นไม้ใหญ่ที่ยืนอยู่ริมผาทั้งสองฝั่งไม่มีใครสามารถทานายถูก ว่ากรรมวิธีสร้างสะพานกลางเวหาของมนุษย์ผีดิบสางขีวทำขึ้นได้อย่างไรความยาวของมันไม่ต่ำกว่าสาสิบเมตรในระหว่างชานชะงกของทั้งสองด้านระดับของมันอยู่ในมุมเทราวยี่สิบองศาจากฝากหนึ่งลงมาจรุดอีกฝากหนึ่งเสียงลมที่พัดผ่านช่องเขาครางวื้วืออ้อยู่เป็นระยะในขณะนี้พัด สะพานลอยให้แว่งไกวพะเยอพะยากร่อนตามลมอย่างน่าหวาดเสียวว่ามันจะขาดหลุดออกจากกันแต่มันก็คงทนอยู่ได้อย่างน้อยก็คงอยู่มาจนกระทั่งฝ่ายมนุษย์ที่จเจริญแล้วมาพบหินเข้าอย่างมงงันในขณะนี้สะพานลอยข้ามเหิวหน้าแปลกเหลือเกินพวกมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงกันนี่เชเทาฐานออกมาเหมือนกล่าวกับตนเอง ดูให้ดีมันก็เข้าหลักเกณฑ์ของสถาปัตย์อยู่เหมือนกันนะเชือกใหญ่สองเส้นที่ขึงยึดอยู่ด้านบนมันแทนสายสลึงอยู่ช่วยรับน้ำหนักตัวสะพานไม้ไผ่ด้านล่างไว้แต่ถูกแดดถูกฝนโดนลมพัดอยู่เช่นนี้มันก็ไม่น่าจะคงทนอยู่ได้นานนักชายันพูดด้วยน้ำเสียงพิสวงปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนเริ่มลงมือทาครั้งแรก มันต่อสายเชือกที่ใช้แทนสลิงข้ามหุบเหวนั้นได้ยังไงไม่น่าเลยที่มนุษย์ป่าเถื่อนผู้ปราศจากเครื่องมือช่วยทันสมัยจะต่อสะพานข้ามเหวแบบนี้ได้มันเป็นสถาปัตย์ที่น่าทึ่งเหลือเกินที่เห็นอยู่นั่นแหละครับคือเส้นทางคมนาคมสำคัญที่สุดที่สางเขียวใช้เป็นทางติดต่อระหว่างทินที่อยู่ของมันกับป่าเนาะ พอข้ามสะพานนั่นขึ้นไปก็เข้าเขตหมู่บ้านมันแล้วยอมผ่านกระสิบขณะนี้ทุกคนซุ่มตัวเฝ้าสำรวจไปยังสะพานลอยประหลาดนั้นอยู่ในเขาของอยู่ในเขตของผู้ไม้โรงตำแหน่งสะพานและริมชานผาทั้งสองด้านเงียบเฉียบปราศจากวิเววของสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นนอกจากตัวสะพานที่ถูกลมพัดไว้เพริบอยู่เป็นจังหวะเช่นนั้น แต่แล้วอึดใจต่อมานั่นเองก่อนที่ใครจะพูดเช่นไรต่อไปต่างก็เห็นเงาดำๆของเจ้าของสะพานที่สร้างมันขึ้นมาพากันโผล่ออกมาจากแนวบังของแก่งหินริมชานผาด้านเดียวกันไหลเขาที่ทุกคนแอบซุ่มอยู่แล่ไม่ผิดลิงแล้วเข้าแถวเรียงเดียวเดินไต่ไปตามสะพานนั้นที่ระยะห่างกันประมาณสองวาต่อหนึ่งคนเพื่อข้ามไปยังฟากตรงข้าง จำนวนนับได้แปดคนเว้นระยะห่างไปอีกครู่หนึ่งชุดหลังก็โผล่ออกมาให้เห็นอีกห้าถึงหคนและใช้สะพานนั้นข้ามไปในอาการเดียวกับชุดแรกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วพิสูจน์ห้เห็นชัดว่าสะพานที่มันสร้างไว้ใช้เป็นเส้นทางเดินข้ามเหวได้เป็นอย่างดีแต่ทีละคนโดยระยะที่ทอดทางกันพอสมควรไม่กระชันชิดนะักระยะที่พวกมันเดินไปไป ตัวสะพานสั่นสะเทือนโยนตัวอย่างหน้าหวาดเสียวไว้อยู่วูบว่าทำท่าเหมือนจะพลิกควม่มแต่พวกมันก็เลี้ยงตัวกันผ่านไปด้วยความชำนาญ พวกที่เพ่นพ่านอยู่ตามป่านอกพากันทยอยตอับข้ามหมู่บ้านมันหมดแล้วล่ะบุญคําพึมพำเรายังไงเนี่ยจะรอพวกมันข้ามสะพานกันไปจนหมดแล้วเราไต่ตามหลังไปยั ง, งนัไงล่ะเชิดถ า, ถามขณะที่รีตาลงเราไม่มีทางจะใช้สะพานนั่นในเที่ยวขาไปนี่ได้โดยเด็ดขาดเพราะมันจะต้องเห็นเราในทันทีที่ไต่ข้ามสะพานไปนูบอกว่าพวกมันเป็นยามอยู่ฝั่งโน้นตลอดเวลา บริเวณใกล้เคียงกัสบสะพานนั่นก็ล้วนอยู่ในสายตาของมันทั้งนั้นก็จะเอาอยัางไงล่ะไหวคำกันไปทุกทีแล้วนะพิธีของมันก็กําลังจะเริ่มเราต้องบุกเข้าไปให้ทันเวลาชายันพูดอย่างร้อนใจมีอาการกระสับกระส่ายตาจับไม่กระพริบไปยังสะพานลอยที่เห็นอยู่นั่นระพินดึงมีดโบวี้ออกจากเอวขีดลงกับพื้นดินเป็นแผนที่คร่าวๆให้คณะนายจ้างดูกล่าวโดยเร็ว อ้อมไปทางไหลเขาด้านตะวันตกเฉียงใต้นี่ไม่ไกลนักมีปล่องหิวแคบๆกั้นอยู่ระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโ น, น้นจากการบอกของเจ้าลูผมคเนว่าระยะมันห่างเพียงไม่เกินเจ็ดแปดเมตรเป็นอย่างสูงเพราะระยะของมันขนาดเสือดาวหรือเลียงผาเพ่นข้ามพ้นเราจะลอบข้ามบริเวณที่แคบและปลอดตาพวกมันที่สุดตอนนี้แล้วไป่หน้าผาสูงชันขึ้นไปเมื่อขึ้นไปถึงส่วนยอด และไปลงไปทางตะวันตกเพียงครู่เดียวเท่านั้นพวกเราทั้งหมดจะอยู่เหนือกลางลานของหมู่บ้านมันในขณะที่กำลังประกอบพิธีกรรมสังเวยอินคาอยู่โดยผ อ, อกทางด้านหลังบริเวณสวนบนของเทวรูปซึ่งอยู่ชิดหน้าผาด้านนั้นหัวหน้าคณะปาดหลังมือเช็ดคางจ้องตาขระมง็งนิ่งไปกึ่งอึดใจข้ามตองหิวแล้วก็ไปหน้าผาชันขึ้นไปอย่างนั้น มีทางเดียวเท่านั้นครับระยะมันห่างเจ็ดแปดมิตตามคาดคะเ น, ข, นของคุณน่ะพวกเราไม่ใช่นักกระโดดไกลอย่างเลียงผาหรือเสือดาวนะสะพานลิงครับจอมพรานตอบสั้นๆเชดถาอึง่งชำเลืองแวบไปทางน้องสาวและเพื่อนร่วมตายแล้วก็พึงพำออกมามันเสียงเหลือเกินนะแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วตอนไตหน้าผาล่ะ มันชันมากก็จริงครับแต่ไม่สูงเกินไปนักเงาสายจะตอกทอยนำขึ้นไปก่อนคำพูดของรพินฟังดูง่ายดายเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ทุกคนย่อมเข้าใจได้ดีว่ามันเสี่ยงอันตรายเพียงใดถา้าปัญหาเฉพาะหน้าชเผชิญอยู่มันย่อมไม่มีประโยชน์อะไรต่อการวิตกวิจารณ์ยกเว้นแต่จะฝากทุกสิ่งทุกอย่างไวภายใต้การตัดสินใจของเขาเพียงคนเดียว